วันนี้พวกเราจะมาศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวรกันผู้ที่รู้วิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวรก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรหันตาสาวก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 อ่างการเกิดมาก็เป็นที่พึ่งของเราได้ไป ส, สักระยะหนึ่งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีก็ต้องตายกันไปเมื่อไม่มีที่พึ่งใจเราก็ตกอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานใจ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 กลับมาหาลาภยศสรรเสริญกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายใหม่ทำกันอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบแล้วแต่ไม่เคยจดไม่เคยจำเพราะไม่รู้จักวิธีที่ดีกว่านี้ไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ถาวรจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา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 เคยใช้รูปเสียงกลิ่นลดโฟสธพะเป็นที่พึ่งแต่พราะองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นที่พึ่งชั่วคราวพราอร่างกายนี้ใจก็จะในที่สุดก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปพอร่างกายตายไปแล้วลาบยศรัสรเสนรูปเสียงกลิ่นลดโฟธพปะก็ต้องหมดสภาพไปด้วย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 พระองค์จึงพยายามศึกษาค้นค้าค้นคว้าหาวิธีสร้างความสุขที่ถาวรในเบื้องต้นก็ไปศึกษากับผู้รู้มีพระอาจารย์สองรูปก็สอนให้พระองค์ได้สร้างที่พึ่งอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเล่นกาย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 ที่ถาวรเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัตไม่มีการลดน้อยลงไปเลยเต็มเปีเป่ยมเหมือนกับน้ำที่เต็มอยู่ในแก้วไม่มีวันท่องไม่มีวันหมดนี่แหละคือผู้ที่รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรก็คือ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 สร้างสติไว้ถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเช่นมีอนุสติสิปสสบประการอสุภะสิบประการซากศพสิบประการมีกระสินมีพรมวิหารสี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุบายสร้างสติขึ้นมา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 ที่เราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็มีพุทธานุสตินี้เป็นส่วนใหญ่ส่งสอนให้พวกเราบรรกรรมพุทโธพุทโธกันให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้ากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงราบยศสรรเสริญไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ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 ให้ให้มันหยุดการกระทาที่ต้องใช้ตาหูจมูกเล้นกายเพราะว่าเป็นการออกของใจถ้ามันใช้ตาหูจมูกเล่นกายก็สแสดงว่ามันยังคิดอยู่กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนั่นเองถ้ามีศีลแปดมันก็จะช่วยร้อมกั้นไม่ให้มันออกไปได้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 ต่อไปก็อาจจะยกธงขาวแล้วก็โทษว่าเป็นวา่าไม่มีวาสนาะแต่ความจริงแล้วไม่ได้ใช่ไม่ใช่เรื่องของวาสนาะแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาเสริมความเพียรนั่นเองคือไม่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไม่ไปเปลิกวิเวกไม่ยอมถือศีลแปด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 วินิจใช้ว่าเป็นโรคอะไรขั้นสุดท้ายเหลือเวลาไม่เกินหกเดือนเวลานั้น่ะถึงไปเปกเว้วๆจริงๆไม่เอาเรื่องนะอะไรทั้งหมดแล้วทีนี้เรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเรื่องอะไรจีปาทะนี้ไม่เอาทั้งนั้นดูแล้วว่าภายในหกเดือนนี้จะต้องสูญเสียมันไปทั้งหมด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 ตามให้มันดีขนาดไหนก็ตามมันก็ดีแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีสู้กลับมาสร้างที่พึ่งที่ไม่มีวันหมดไม่ดีกว่าเลยที่พึ่งไม่มีวันหมดก็คือความสงบคือสมาธิแล้วก็รักษาความสงบสมาธินี้ไว้ด้วยปัญญาทำลายข่าศึกศัตรูที่จะมา ทำลายความสงบนี้จนไม่มีค่าศึกษตัตรูหลงเหลือที่จะมาทำลายความสงบนี้ได้ความสงบนี้ก็จะสงบไปอย่างท้าวรเป็นความสุขอย่างท้าวรไม่ว่าจะมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามา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 ตันหาความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาและขณะที่ต่อสู้กับตันหาค่าตัญหาต่างๆเมื่อใจเกิดความเกิดหมดแรงขึ้นมาก็ควรที่จะหยุดควรจะกลับเข้าไปในสมาธิเช่นบางครั้งต่อสู้กันไปตันหาแต่ละตัวที่ได้ค่ามันก็หมดไปแต่ แรงก็อาจจะน้อยลงไปแล้วก็อาจจะข่าตัญหาตัวต่อไปไม่ได้ตอนนั้นก็ควรจะหยุดพักการเจริญปัญญาสลับกับการเข้ามาพักอยู่ในสมาธิมาเติมพลังอุเบกขามาเติมความอิ่มความพอเพื่อที่จะได้ออกไปต่อสู้กับความอยากของกิเสตันหาย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 มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันตสาวกแต่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่ตัดจรู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปได้ยินได้ฟังจากผู้ใดเพราะไม่มีผู้ใดในโลกนี้รู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเอง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 ด้วยความศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะมีผู้ที่ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้ผลมาแล้วพระอาหาาาันตตัสสหวกทุกรูปมีเป็นผู้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องแล้วเป็นไปตาม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 เหมือนกับเวลาที่คนเขาเอาของปลอมมาขายเราเราก็ลังเลสงสัยว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมเราก็ไม่กล้าซื้อใจหนึ่งก็อยากได้แต่ใจหนึ่งก็กลัวถูกหลอกแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นความจริงทั้งนั้นเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติตามได้รอยเปอร์ซ็น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 รับรองได้ว่าไม่ช้ากเ็เร็วเราก็จะต้องได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตัสาวกทั้งหลายได้รับมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงพยายามสร้างความเพียรกันพยายามปฏิบัติกันให้ามากๆแล้วผลต่างๆที่เราปรารถนากันก็จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็ พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกับปฏิอิธิตังปฏิตังตุมหังคิป้าเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยทามณิโชติอะราโสยทาสัพพิโยวิวัจจันโุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะวันตรายสุขีธีคายยโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมวทานติ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 กาบเขาอากาศท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะข้างล่างได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินค่ะแม่ชีมาจากวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนนะเจ้าคะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่นี่ก็ภาวนามาโดยประมาณก็เจ็ดปีแล้วคือใช้หลักมีสติรู้กายใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะแล้วก็ใช้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่ามีเชือกมัดลิงไว้ค่ะแลวบางขณะจิตเนี่ย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 พอมันรั่วจะมีเสือนี่มันจะเกาะติดกับพุทโธแน่วแนบไปเลยถ้ารั่วผียามานี่มันจะพุทโธพุทโธเแค่ะถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยสบายๆมันก็มันก็ไม่กลัวเค่ะพอมันไม่กลัวมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านแต่ถ้ามันกลัวนี่มันหางโหดเข้าไปวิ่งเข้ากงกันหมดเจ้าค่ะ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 ก็ต้นประสติได้อดอาหารหรือหรือนั่งนานๆเจ็บมันก็อย่าไปลุกมัอนสู้กับทุกขเวทนาเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไม่มันจะไม่ทุกข์ทางใจเจ้าค่ะมันต้องต้องมีมาตรการที่มันให้ทุกมากกว่านี้ใช่ถ้ามันสบายแล้วมันจะมันจะติดสุขมันจะขี้เกียจเจ้าค่ะ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 บนมัสการท่านอาจารย์ครับผมเดชพบศีีใสาจากประชุมท่านนี้ครับก่อนอื่นท่านอาจารย์พูดจริงมากครับชักเข้าชักออกคือปฏิบัติได้ดีไประยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เฉยหมายถึงว่านอนใจครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็คือกลับมาอุ๊ยเราถายไปไหนล่ะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นจริงมากๆครับเรื่องนี้ครับผมมีคาถามสองคำถามครับเรื่องสติครับ สติเหมือนเบรกร้ยนตใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เหมือนเบรกเหมือนเชือกที่หยุดลิงลิงมันก็เป็นเหมือนรถยนต์นะครับถ้าอยากจะให้รถยนต์มันหยุดก็ต้องมีเบรกถ้าอยากจะให้ลิงมันหยุดก็ต้องมีเชือกมัดมันครับ อ, อผมจะเจออย่างนี้มากหลายเรื่องครับเช่นอ่าเรื่องความสวยความงามนะถึงอายุป่านนี้แล้วเนี่ยความอยากในตัณหาเนี่ยมันก็ยังมีนะครับบางทีเนี่ยเราไปเจอ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 ก็นึกขี้ในท้องนะท่านอาจารย์บนเขาเคยสอนเขาว่าไงมันก็ได้ผลครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเบรคจิกทีเดียวมันคือพอไปปุ๊บเนี่ยไปคอยหลังไปมองตามหลังไปแล้วถึงมาคิดนะครับอาจารย์ว่าเอ้ยทําไมเราต้องไปคิดอย่างนั้นทําไมเราต้องไปปรุงแต่งแบบนั้นคือเราจะทํำไงให้เหมือนเบรกที่ว่ามาถึงหยุดจิกอย่างที่อาจารย์พูดครับก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลาไปเห็นของสวยของงามเท่านั้น ต้องเตรียมไว้ก่อนทำการบ้านไว้ก่อนอซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับเวลาเราจะหยุดรถนี่ล้วแตะเบรกปั๊บมันไม่หยุดทันทีอมันต้องวิ่งไปสักยี่สิบสามสิบเมตรมันถึงจะหยุดได้ครับผมนะบางทีเราเรารู้ว่าเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยพยายามสำรวมตัวเองครับอาจารย์เดินปุ๊บเนี่ยเราจะไม่พยายามวกแวกจะพยายามเดินก้มหน้าไม่มอง จนบางคนก็ถามว่าทาไมก้มหน้ามองหาสตังเหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องพยายามรลีกเที่ยงแต่ว่าบางทีเราไปถึงกรุงเทพปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะแยะเลยอยู่ที่ชนบุรีเนี่ยอาจจะนะไม่เท่าไหร่แต่ไปที่นั่นปุ๊โอ้โหมองซ้ายมองขวาเหมือนเยอะขนาดคือมันปุงแต่งขึ้นมาทันทีครับท่านอาจารย์เรื่องอย่างนี้ก็คือผมไปดูแม้กระทั่งวิดีโออสุภะ ก, กรรมฐานที่ว่าเผาศพนะครับที่เห็นแต่ ไม่ว่าที่อินเดียในปานหรือว่าในเมืองไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพยายามคิดนี้เรื่อย ๆ, ๆนะครับแต่ว่าพอไปเจอของจริงปุ๊บนี่สติมันมันไม่หยุดจึกเหมือนเบรกเลยจนกระทั่งค่อยหลังไปโอ้อเรานี่มันยังห่างไกลเลยเกินความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็ต้องเจริญบ่อยๆเจริญอสุภะบ่อยๆการเจริญอสุภะนี่ก็เป็นเจริญทั้งสติทั้งปัญญาควบคู่กันไปให้ใจเราอยู่กับภาพที่ไม่สวยงามของร่างกาย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 ความโกรธมันพุ่งมาในใจเลยบอกเอ้ยเขาไม่รู้เหรือว่าอันนี้คือกําลังพูดหมายถึงว่าคําพูดเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงนะนะมันเป็นบาปนะแต่ว่าสักพักหนึ่งปุกอ๋อเขาคงไม่รู้เขาคงไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ลงมาเดินลงทักแกะกะแกๆอย่างเงี้ยอาจารย์เราเรานึกถึงความรู้สึกมันโกรธขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าเฮ้ยเขาคงไม่รู้มั้งถ้าอย่างนั้นอะ แต่ว่าก็นึกสงสารก็ว่าอันนั้นมันเป็นบาปนะคือลักษณะอย่างนี้ก็คือมันมันคือความโกรธที่มันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราคิดได้ตอนหลังเนี่ยมันถือว่ามันยังจะพอมีสติไหมครับอาจารย์หรือยังไงก็เลยว่าไม่มีเลย <c oughs> มันชนแล้วมันถึงค่อยรู้เฮ้ยเบรกไม่มีเลยทางท่าดียิงมันต้องเฉยตลอดเลย <c oughs> ตั้งแต่ได้ยินเสียงก็เฉยแล้วอ ไม่ใช่เรื่องของเราอ น, นัตตาห้ามมันไม่ได้เหมือนทําป็เสียงนกเสียงกาวไม่ไปโกรธมันน่ะเพอาะเสียงนกไปโกรธมันทําไมมันก็เสียงเหมือนกันครับแต่ผมผมมีแค่นี้ครับ<ม>ยังไม่รอดรอบยังไม่พิจารณาเอยังไม่พิจารณาเห็นอนัตตาเข้าใจไห ม, มสัตยครรมานัตตาทําทั้งปวงเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้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 และจะทาเพราะจะทำให้เกิดความเกียจค้านเกิดความง่วงเหงาเหาน อ, นอนขึ้นมาและจะช่วยผู้ที่อยากจะอดอาหารเพราะว่าเวลาอดอาหารเราไปเน้กถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็จะดับความหิวทางทางใจได้ก็สามารถที่จะอดอาหารได้ทำให้ไม่ง่วงเหงาเหานอนทำให้เสริมความเพีย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 ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธบริกรรมพุโทโธหรือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนพุโทโธก็ได้เช่นสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสหลังส้ำ ม, มาแล้วก็ใจถ้าไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนาใจก็จะไม่ทุกข์กับมันใจก็จะสงบได้ก็มีสองวิธีวิธีที่เรียกว่าสติกับวิธีที่เรียกว่าปัญญา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 ตัดตันหาความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีเมียไม่มีมมลูกที่จะต้องมาทุกแบบที่เรากําลังทุกอยู่ในตอนนี้ครับข้อที่สามนะครับแล้วการที่ลดน้ํามนต่างๆเนี้ยมันสามารถแก้ความทุกข์ได้ไหมครับเราแก้ได้ปะถ้าแก้ได้คงไม่มาถามใช่ไหมครับก็เป็นน้ําอะ อย่างอ า, งพาพระพระพยอมท่านบอกว่าถ้าน้ำมนตมันวิเศษจริงก็นิมนต์พระไปที่ป่าปลาเลยไปนั่งสวดที่ป่าปลาส่งไปตามท่อเลย <c oughs> มันจะไม่มีความทุกอยมันคำถามีะถามอีกไหมอยากจะถามคาถาม้าปิดไม้แล้วอย่ามาถามน <c> ะ <oughs> ไ ม, มไม่มีรางถามงอ่ายาวไยายังยังไม่ตัง้งไมอ่าอย่างยั้นแม้ตอนก็ไม่อยากจะถามว่าอยากจะให้พ้อถามเิดจะสงบมากถึงไม่ถามอ่าถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการประชุม สำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้กอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด